พากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจนี่เนี่ยสำคัญกลัวสิ่งใดทั้งหมดให้พากันใส่ใจให้มากจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็อยู่ที่ใจอันร่างกายนั่นเป็นแต่ที่อาศัย ของดวงจิตนี้เท่านั้นเองถ้าจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วมันไม่รู้สึกเจ็บปวดร้อนหนาวอะไรเลยให้สังเกตดูอย่างนี้ก็พอจะรู้ได้ว่าจิตดวงนี้สำคัญถ้าไม่สำคัญแล้ว ท่านผู้สร้างบา ร, รมีเป็นพระพุทธเจ้าก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็พอามาฝึ ก, กจติตตรงนี้แหละเมื่อฝึกไปฝึกไปมันก่อเกิดความรู้ความฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นไป ท่านจึงกล่าวว่าบุญบารมีบุญบารมีนั่นแหละเมื่อมันรวมกำลังกันเข้าแล้วมันทำให้เกิดปัญญาอันยอดเยี่ยมสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้นกิเลสนี่เราจะเอาอย่างอื่นมา ธรรมละมันนะมันไม่หมดมันไม่ดับไปได้้องคิดทบทวนดูให้ดีไม่ทบทวนก็ไม่รู้ผู้คนผู้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านโมน่ น, นะมันจะเอามากาจัดกิเลสปาปธรรมออกจากหัวใจมันไม่ได้เลย ือจะมีอำนาจในโลกนี้จนเป็นถึงเจ้าจักรพรรดิราชผู้มีอำนาจครอบครองทวีทั้งสี่อันนี้ก็ยังกรรมจัดกิเลสให้หมดใจไปจากขันธสานไม่ได้ mm. พวกมีฤทธิ์มีเดช พวกหน้าครุตูบุบรรคนทันอะไรมือดีตลอดถึงเทวดาอินพรมผู้มีฤทธิ์มีเดชต่างๆมืนดีก็ยังละอาสวะกิเลสในหัวใจไม่หมดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเพ่งพิจารณา ดูอำนาจใดในโลกนี่แล้วไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ออกจา ก, กจิตใจได้เราจึงได้ย้อนกลับมาถึงธรรมะมเมื่อมามองดูธรรมะนี่แล้วจึงพอมองเห็นได้ว่าธรรมะนี่อย่างเดียวเท่านี้แหละที่จะกำจัดกิเลสออกไปจาก ดวงกีดดวงนี้ได้เมื่อมองเห็นธรรมะอย่างว่าในมันก็เรื่มใสพอใจในธรรมะต่องการที่จะสร้างธรรมะขึ้นในใจของตนผู้ที่มาเห็นโทษของกิเลสตัณหาแล้วก็จะไม่นิ่งนอนใจเมื่อรู้ สิ่งที่สามารถปราบกิเลสได้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรสร้างคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในใจของตนเริ่มต้นตั้งแต่สร้างสติสัมปชัญญะขึ้นสติสัมปชัญญะชื่อว่า เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งมวลนับตั้งแต่โลกิยากุศลก็ดีตลอดถึงโลกุตระกุศลหมลนีจะเกิดขึ้นได้อาศัยสติสัมปชัญญะนีนะ่ต้องสติคือต้องระลึกขึ้นมาก่อนนี่นะ สัมปชัญญะค่อยรู้ตามหลังแบบนี้ว่าเราระลึกถึงเรื่องอะไรอย่างนี้นะสัมปชัญญะเป็นผู้กําหนดรู้แบบนี้เออเราระลึกถึงเรื่องนี้อเรื่องของร่างกายอย่างนี้เมื่อระลึกถึงเรื่องของร่างกาย ก็เอาสติจดจ่ออยู่ในร่างกายอันนี้ mm hmm. เพ่งดูร่างกายอันนี้อยู่ mm hmm. ไม่ให้ความระลึกเดินมันไปในที่อื่น mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ดวงขีดดวงนี้ mm hmm. มันจะเป็นทุกข์เดือดร้อนก็เพราะมันไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้เอง mm hmm. มันจะ ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรก็เข้ามารู้แจ้งในร่างกายอันนี้ตามความเป็นจริงถ้ามันไม่รู้แจ้งแล้วมันก็มีแต่ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันวันไหลไปมาอยู่เสมอไม่คงที่อยู่ได้ ความที่จิตใจวันไว้ไปมานี่แหละมันก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาแบบนี้นะนี่มันเป็นเหตุให้สร้างกิเลส ข, ขึ้นมาเมื่อหากว่าปล่อยให้ใจนี่ดิ้นลน้กดแก่งไปมาแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำใจนี้ให้นิ่งอยู่ให้ตั้งมั่นอยู่แล้วมันจะไม่สร้างความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเลย แต่อย่างนั้นดังนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทว์ทำจิตของตนให้สงบหลังับไปก็มีจิตจิตบวกหมายดังกล่าวมานั่นแหละเข้าใจ ผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะไม่ปล่อยให้จิตของตนพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต่างๆ น, น, นานาเพราะว่ามันจะเป็นเหตุให้สร้างกิเลสตัณหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ครอบงำจิตใจของตนจึงไม่ยอมให้ใจพุ่งซ่านเลื่อน้อย ถ้าว่ามันเผลอพุ่งซ่านไปนี่ก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปเพ่งเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยจิตนี่มันก็หยุดคิดหยุดพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปต้องพยายามอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าพอจิตพุ่งซ่านแล้วก็จะปล่อยให้มันซ่านไปอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมให้มันสงบลงอย่างนี้มันก็ตั้งตัวไม่ได้เลยครู้นั้นเรียกว่าจิตใจเป็นอย่างนั้นเน่ะมันไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้หมายความว่าอย่างนั้นใจที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้นั้นต้องเป็นใจหยุดใจนิง่งะใจตั้งมัน่น ด้วยดีอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเหมือนอย่างสายตาของคนเรานี่แหละถ้ากว่ากรอกตาไปมาอยู่บ่อยๆเข้าไปอย่างนี้นะมันไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้ชัดเจนเลยเห็นก็พอลางๆไปพอแค่นั้นแหละ สายตามันไม่หยุดนิ่งนะอันนี้ถ้าหากว่าเราจ้องสายตาไปแต่แห่งเดียวงี้มันก็เห็นวัตถุอยู่ต่อหน้านั้นได้ชัดเจนเลยแบบนีน้ดังนั้นเราต้องการอยากจะดูวัตถุอะไรก็จึงไม่กรอกสายตาไปนน่นไปนี้เพ่งดูแต่ วัตถุอันเดียวนั้นเกือบจะไม่กระพริบตาเลยน่นะนะนันจึงได้เห็นชัดลงไปในสิ่งนั้นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยจิตนี่ก็ถ้าสมมุติก็เรียกว่าตาในาละ่ะตานานนี่ถ้าหากว่าไม่ทำให้นิ่งไม่ทำให้หยุดคิด หยุดนึกจิตกรอกกลับกรอกไปมาอยู่นั่นมันก็ไม่สามารถจะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ต่อเมื่อมาทำใจให้หยุดให้นิ่งลงไปแล้วก็นั่นแหละมันจะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเช่น ความเจ็บความปวดมาสัมผัสเข้าไปกับดวงจิตนี่อย่างนี้นะจิตนี่ก็จะรู้สึกไม่สบายใจเลยมีความรู้สึกไม่เป็นปกติได้เลยอย่างนี้เลยถ้าหากว่าผู้ไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้ตักแน่นตั้งมั่นมาแต่ก่อนแล้วก็ร้องครวนคางไป กระสับกระสายดินโลนไปแหละนี่เมื่อเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นนะมันเป็นยางงไงถ้าใจตั้งมั่นได้อย่างนี้แม้ว่ามันจะเจ็บจะปวดอย่างรุนแรงอย่างไรหรือมันจะมีอาการอย่างไรในร่างกายเนี่ยนะมันก็ไม่หวั่นไหวอดกั้นทนทานได้ เพราะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนนะบังคับไม่ได้แล้วมันรู้แจ้งอย่างเนี้ยเมื่อรู้แจ้งว่ามันบังคับไม่ได้แล้วก็ทํายังไงบะนี้ก็อดทนเอาเลยเมื่อไม่อดไม่ทนก็เป็นทุกข์แหละมันเป็นอย่างนั้นมันรู้ชค่ น, นี้แหละจึงได้อดได้ทนได้คนเราถ้าไม่รู้อย่างว่านี่ก็อดไม่ได้ทนไม่ได้เนี่ย แต่อยงว่าร้องให้ลำาลรไปต่างๆนานาเนี่ย น, นั้นให้พากันเข้าใจความหมายอย่างนี้<ม>การฝึก้นอบรมจิตนี่มันจึงคือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่จะทำให้ตนถอนตนออกจากกองทุกขนี้ไปได้อย่า<ม>งั้นถ้าผู้ใดไม่คิดว่าจะฝึก ใจนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็ยังห่างากไกลจากทางพ้นทุกข์อยู่จะไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ง่ายๆจะต้องจมอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นี้ดังนั้นนะพึงพากันเข้าใจถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำความภาคเพียน พยายามในชาตินี้ต่อไปชาติต่อไปก็จะต้องได้พยายามภาคเรียนฝึกจิตใจดวงนี้แหละต่อไปถ้าหากว่าไม่ดํำริที่จะฝึ ก, กจิตใจในชาติใดๆแล้วก็ก็ลอยลมอยู่อย่างนี้ก็ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ เกิดมาแล้วก็มาแก่ร่างกายอันนี้นานไปก็บชำรุดทรุดโทรมไปโรคภัยเบียดเบียนไปความเจ็บก็ทับถมจิตใจเข้ามาอู่นวายกันไม่เฉพาะแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นมันมากระทบกระทั่งดวงจิตที่ให้เป็นลุกเรื้อร้อ น, นมันยังมีกิเลสหลายอย่างที่บุคคลสร้างมันขึ้นมา ความโลภความโกรธความหลงหมูรีล้วนแต่มารบ ก, กวนใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยถ้ายอมให้กิเลสนี่มันเผารนจิตใจไปเรื่อยๆอยู่นี้เกิดมาชาติใดก็ ม, มาปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เดือดร้อนอยู่นี้ ดีไม่ดีไม่ได้เกิดมาเป็นคนซ้ำนะเพราะว่าบุคคลผู้ปล่อยให้กิเลสมันเผาจิตใจให้เอาร้อนแล้วส่วนมากมันก็ไปทำบาปเนี่ยทำชั่วกันเนี่ยกรรมชั่วมันก็นำไปสู่ทุกขติอบายภูมินั่นหลยอ่าเลทนทุกขทรมานอยู่ในรกอบายภูมินา น, านแสนนาน นี่พิจารณาดูให้ดีโทษที่บุคคลไม่ฝึกฝนจิตใจนี่นะมันมีแต่จะจมดิ่งไปสู่ห้วงแห่งกองทุกข์ให้เข้าใจอย่างนี้ผู้ฝึกฝนอบรมจิตใ จ, จเพียงว่าทำบุญให้ทานไปเฉยๆอย่างนี้ไม่คิดที่จะรักษาศีลไม่คิดที่จะภาวนาสมาธิอย่างนี้นี่ มันก็ยังห่างไกลจากทางท้นทุกข์แต่มันก็มีสุขอยู่บ้างอยู่หรอกอา น, นิสงส์แห่งการให้ทานนั้นนะแต่มันก็สุขไม่ยั่งยืนอีกแล้วสุขอย่างนั้นก็เชื้ออยู่ด้วยกิเลส่างนั้นถ้ามารักษาศีลในบริสุทธิ์เข้าไปอา้าวก็มีความสุขสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเพราะมันไม่มีบาป ก, กรรมตามสนองแต่กิเลสมันก็ยังมีอยู่ กิเลสอันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนั่นนะในนั้นต่อเมื่อใดได้มาภาวนาเข้าไปเพกใจนี้ให้สงบเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานี่มาสอนจิตไทรระความยึดความถือกิเลสตัณหาต่างๆให้มันเบาบางออกไปจากจิตใจนี้เรยเอย ปัญญาสอนจิตนี่ให้ละความยึดความถือในความโลภในความอยากอันไม่มีสิ้นสุดนั่นนะให้มันน้อยเบาบางลงไปามีปัญญาเมื่อสอนจิตนี่ให้ละความโกรธความพยาบามความคิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่เราต้องอาศัยปัญญาณนาะสอนเนะี่ย นอกจากการเจริญเมตตาแล้วก็ยังไม่พอมันต้องใช้ปัญญาสอนเข้าไปอีกสอนจิตนี้ให้เห็นโทษแห่งความโกรธความพยาาบัตเรเบียดเบียนซึ่งกันและกันพอจิตนี้มันเห็นโทษอย่างนั้นแล้วมันก็เบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือในความโกรธออกไปไม่ยึดไม่ถือเอาไว้แล้ว ใครมาด่าว่าเสียสีใครมาเบียดเบียนเอาก็ไม่โกรธ嘛นี่ไม่ตอบโต้นั่นแ่ะจึงเรียก ว, ว่ามันคลายความยึดความถือออกไปในความโกรธนั้นเมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วความหลงมันก็หายหน้าหายตาไปเช่นอย่างแต่เมื่อยังไม่มีปัญญา มันก็ยังหลงสำคัญว่าอัตภาพร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนจริงจังห่วงแหนมันไว้ใครจะมาด่าว่าทีเตี้ยนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธเป็นพืนเป็นไฟนี่แหละลักษณะความถือตัวถือมั่นในขันห่าว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมาภาวนา ใช้ปัญญาสอนจิตให้ปรงให้วางให้ปล่อยขันห้า น, นี่ลงไปแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเนอะเช่นนี้นะแม้ใครด่ามามันก็ไม่โกรธใครมาพานทะเลวิวาทมันก็ไม่เอาด้วยเพราะอะไรแน้วก็เพราะว่ามันรู้ชัดแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตน เขาด่ามาก็ด่าร่างกายอันนี้แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปโกรธทําไม่ละ่ะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่โกรธนะเหมือนอย่างมือโบกอนไปด่าจอมปลวกอย่างนี้นะจอมปลวกมันจะโกรธที่ไหนละ่ะนั่นไงด่าเท่าไห ร, ร, นะร่มันก็ไม่โกรธแล้วทุบตีมันก็ไม่โกรธอืมเพราะอะไรละ่ะ ก็เพราะมันมีแต่ธาตุดินธาตุน้ําอยู่เฉยๆนี่เนะนี่ยน่นะอันนี้เราก็ทําจิตให้มันเป็นเหมือนจอมปลูกนั่นนะจิตก็ให้อยู่พอจิตนะกายก็ให้อยู่พอกายอย่าให้มันไปยึดถือกันนะแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีความหมายอะไรนะคําด่าว่าเจียสีคําไม่ดีต่างๆ เรื่องไม่ดีต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยะมันก็พอปกับลมพัดไม้อย่างว่าแล้วมันก็เมื่อไม้ต้นใดมันแข็งแรงน่ะลมพัดไปมันก็โอนไปนิดหน่อยเมื่อพอลมมันหยุดต้นไม้ต้นนั้นมันก็ตั้งอยู่ตามเดิมมันอมันไม่หักไม่โค่นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้มาฝึก ใจตรงนี้ให้มันหนักแน่นตั้งมั่นลงไปได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่หวั่นไหวต่อเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆในโลกไม่หลงหมายความว่าอย่างนั้นนยไม่หลงสมมติไม่หลงบัญญัติของโลกนี้โลกเขาสมมุติว่าคำนี้เป็นคำชั่วคำไม่ดีอย่างนี้ก็ก็รู้ว่ามัน ชั่วมันไม่ดีเท่านั้นเลยแต่ว่าไม่ได้เกลียดอืไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดชังหรือว่าโลกเขาสมมติว่าคนนี้ไม่ดีอย่างนี้นะก็ไม่ได้เกลียดชังเพราะมันเป็นได้เพียงสมมติเฉยๆอันนั้นนะแต่ความไม่ดีนั่นก็มันก็มีความจริงอยู่หรอกจริงอยู่อันไม่ดีนั้นนะแต่ความไม่ดีนั้น มันก็เป็นเพียงแค่สังขารมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองไม่มีตัวตนแก่นสารอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งอย่างนี้มันมันจะไปเกลียดทางคนนั้นทําไมอ่ะนั่นแหละเพราะมันมันเห็นว่าไม่ไม่ใช่คนนี่เป็นแต่เพียงสภาวะาธาตุเฉยๆนั่นแหละดวงจิตที่มันโกรธขึ้นมานั่นมัน แสดงอาการกายวาจาออกมากับดวงจิตนั่นเน่ยดวงจิตมันก็เป็นสภาวธรรธาตุอันหนึง่งไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่ความรู้ความรู้อันนั้นท่านก็เรียกว่าเป็นเป็นธาตุเป็นมโนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุ อ, อันนึงนี่นะมันมันไม่ค้นหาตัวตนไม่มีหรอก สำหรับเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะไม่มีไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เลยเมื่อไม่มีตัวตนอย่างนี้แล้วจะจะไปลากกิเลสตัณหาไปทำไมจะไปลากบาปความเพียรบุญไปทาไมใครจะเป็นผู้สวยผลของบุญนั้นบางคนก็อาจจะคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ การที่สร้างบุญสร้างฟูศสนนั่นนะการที่ละบาปนั่นก็เพื่อที่จะทำจิตตรงนี้ให้บริสุทธิ์เมื่อจิตตรงนี้บริสุทธิ์แล้วมันก็พ้นจากขันห้านี้เท่านั้นเองถ้าว่าจิตนี้ยังไม่บริสุทธิ์กิเลสตันหา ย, ยังมีอยูอ่จิตนี้จะไม่พ้นจากขันหานี้เลยเมื่อขันนี้แตกแล้ว กรรมที่ทําไว้แล้วมันก็นําไปอาศัยขันอื่นต่อไปอีกอก็ตัองเสวยทุกข์ทนทรมานต่อไปอีกดังนี้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจอการละความชั่วทําความดีการฝึกใจให้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเกศทั้งหลายก็เพื่อให้หลุดพ้นจากขันห้าอันนี้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในขันห้าอันนี้ต่อไป ดังแสดงมา